นะโมจตสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูตัสสันะโมจตสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมัสสันะโมสพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูตัสสในระดับต่อนี้ไป พากันตั้งใจต้งจิตเจริญภาวนาภาวนาคือการอบรมได้แก่อบรมจิตให้เบาๆน่ะหมดไปซึ่งนิวรนาหะและภาวนาชั้นสูงอบรมจิตให้เกิดปัญญาความรู้ เพื่อกำจกัดกิเลส ช, ชั้นละเอียดคืออนุสัยให้หมดไปจากจิตใจของตนการที่เราจะทำที่ให้สงบได้ก็ต้องมีการตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยว ไม่คำหนึ่งถึงทุกที่จะเกิดจากการเมื่อยทุกที่จะเกิดจากความงม่วงทุกที่จะเกิดกับการคล้ายกับทรมานตนทุกที่เกิดจะต้องการค่มใจหรือระวังใจของตนเพราะสิ่งเหล่านี้ผิดกับสามัญชนธรรมดา เขาจะปล่อยใจปล่อยอารมณ์นึกึอะไรก็ได้แต่ในพระศ า, าสนานี้เฉพาะยิ่งเรื่องการเจริญจิตภาวนาธรรมสมาธิจะต้องมีความเชมรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่ได้เห็นอย่าพึ่งเข้าไปเข้าไปพอใจหรือเสียใจ สิ่งที่ได้ฟังอย่าเพิ่งเข้าไปพอใจและเสียใจหรือชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ได้กลิ่นอย่าเพิ่งไปพอใจและเสียใจหรือไม่ชอบสิ่งที่ได้รับรสอย่าเพิ่งไปพอใจและไม่พอใจสิ่งที่สัมผัสทางกายก็เช่นเดียวกันอย่าเพิ่งไปเข้าไปพอใจและไม่พอใจ ถ้รารอาทนอารมณ์ที่เกิดคือทางจิตใจอ า, อารมณ์อันใดอย่าเพิ่งไปพอใจและไม่พอใจรักษาความรู้สึกของตนไว้ให้เป็นกลางการที่จะรักษาจิตของตนให้เป็นกลางรู้สึกความรู้สึก ด, ดังกล่าวแบบนี้ไม่ใช่ของง่ายเป็นของละเอียดเป็นของแนบแท่น แนบเมียนติดมากับอุปนิสัยในปางกอ่ออีกมากมายและแต่งจะเกิดมาในชาตินี้แตงแต่พอรู้เรื่องอะไรแล้วแล้วเราก็ทำอะไรตามพอใจอยู่เสมอจะมีความยำเกรงบ้างก็คือพอ่อแม่บางครูบาอาจารย์บ้างเท่า น, นั้นนอกนั้นก็ปล่อยไปใจไปตามอารมณ์ อาการแล้วคารในเวลาที่ปล่อยไปตามอารมณ์นี้มีมากเป็นเวลานานในปัจจุบันของเรายังนับไม่ถ้่วนนับภาษาอะไรในอดีตชาติที่เราจะนับสิ่งเหล่านั้นรู้สิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นธรรมะหรืออริยสัจสี่มีข้อหนึ่งก็คือข้อมักคำว่ามักทุก สมุทยนี้รถมัชมัชในข้อที่นี้คือการอบรมจิตการอบรมจิตก็คือการภาวนาการภาวนาให้จิตใจของตนเองค่อยๆ ค, คลี่คลายสลายเกลียยังหยาบค่อยๆ ค, คลี่คลายสลายเกลียยังกางคือนิวรณ์นะฮะค่อยๆคลี่คลาย ทีเดีย่ยางละเอียดคืออนุสัยเ็ดข้อสางโยชนอีสิบข้ออันเป็นส่วนทีเดียสานุสัยทีละเอียดทีเลทีละเอียดนี้พึงรู้ได้ยากจะดูได้เพียงพอประมาณอุปมาเม่อย่างเปรียบเทียบในบางสิ่งบางอย่าง เช่นกองขี้เถ้าที่ไฟมันไหม้ฟืนมาหมดแล้วไม่มีฟันไม่มีไฟเหลือแต่กองขี้เถ้าแต่ในกองขี้เถ้านั้นบางส่วนมันยังร้อนระอุอยู่เพราะมันไม่มีฟันมันมีไฟเรายังมองไม่เห็นจึงเอาเศษไม้หรือผงต่างๆใบไม้ จะรอจนขี้เรื่อยขี้กบขี้บางๆเอาไปทิ้งทับลงในกองขี้เท่านั้นได้ว่าไม่มีอะไรแล้วแต่เมื่อทับลงไปอาายไอแห่งความร้อนยังมีอยู่เศษขยะที่ละเอียดกอนก็ค่อยไหม้ขึ้นและเป็นฟันเป็นไปก็ามาม้กันต่อๆไป นึกว่าไปเหมือนกิเลสไม่มีแต่เมื่อถูกอารมณ์อะไรไมายั่วยวนตาเห็นรูปหูฟังเสียงที่ได้บอกแล้วว่าเห็นที่ชอบอย่าเพิ่งชอบเห็นที่ไม่ชอบอย่าเพิ่งเกลียดคือพอใจและไม่พอใจทั้งสองข้างนี้ทิ้งไปป้าง ทิ้งไปข้างขวาบ้างข้างซ้ายบ้างทำใจให้รู้ให้อยู่ตรงกลางคือจิตพร้อมที่จะรู้อยู่ตรงกลางว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแต่เริ่มต้นสิ่งที่เป็นกุศลควงฝึกหัดเช่นทานศีลภาวนาในการบาเพ็ญบุญดังหลายทั้งปวงนี้ค ว, ควรเริ่มฝึกหัด ตัวในทาอาคุสลควรรู้จักให้เข้าใจเพื่อจะได้ระวังเหมือนกับว่าอาคุสนต่า ง, างมีความโลภความโกรธความหวงเหมือนงูพิษที่มาอยู่ใกล้ๆบ้านเราเพราะฉะนั้นเวลา้่มคืนมันยังออกหากินอยู่แต่เรานอนหลับ เราต้องมีต้องมีความสังวรสำรวมระวังโดยรักษาขอบเขตบ้านของเราให้มิคิดไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาในบ้านเราได้ฉันใดสติเป็นเครื่องสำรวมระวังอย่างรอบคอบของจิตเป็นกำแพงคอยกั้น อารมณ์ต่างๆไม่ให้เข้ามามัวหมองในจิตใจความละเอียดป อ, อนสิ่งที่เป็นกุศลถ้าหาว่าปล่อยให้เข้ามาในจิตใจและพอใจก็เป็นมัวหมองสิ่งที่เป็นอกุศลไปเกลียดชังขึ้นก็เป็นอกุศล เพราะฉะนั้นทั้งสองประการนี้จึงต้องระวังและรบพอ่พอพวามมีทั้งดีและไม่ดีที่โดยสอนกันทั่วไปสิ่งใดดีก็ให้ทำสิ่งนั้นอันนี้เป็นโูภิยะแบบสามัญนในทั่วไปแต่เมื่อเข้ามาถึงภูมิแห่นการปฏิบัติทางจิตกับภาวนา เราต้องมองสิ่งทั้งสองนี้ให้เป็นรูปอีกแบบหนึ่งคืออย่าไปเกี่ยวของหรือรู้ตามความเป็นจริงนะาันใจของเราเป็นกลางสิ่งใดดีตาเห็นรูปว่าสวยว่างามว่าหน้าพอใจก็าตามให้เพื่งพิจารณาว่ารูปบุคคลต่างๆเหล่านั้น เขาจะดำรงคงที่ในความสวยงามอยู่ได้จรอดไปหรือไม่ก็ไม่มีใครดำรงคงให้รากษาสรีระร่างกายทั้งชายหญิงให้ดำรงคงที่สวยงามอยู่จรอดไปก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงอย่าเข้อพยุดืออกปการหนึ่ง ถ้าเราเห็นสิ่งที่สวยงามที่รูปหรือกายคนใครในใดรคนหนึ่งเป็นคนที่สวยงามน่ารักค้าวไม่ว่าชายหรือหญิงเราก็ต้งนึกทันทีว่าสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากธาตุดินน้ำไฟลมแยกออกจากกาันแล้วไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรงาม ภายังมองไม่เห็นลองพิจารณาดูสิ่งที่เห็นนั้นคือเมื่อเห็นสิ่งใดในจริงนั้นว่าสวยว่างามถ่ายภาพหรือภาพที่ก็ถ่ายไว้แล้วในหนังสือต่างๆหนังสือพิมพ์ก็มีาภาพคนที่สวยคนที่หลอ่อที่เขาถายไปแล้วนั่นเอามาวางไวให้เราเห็น ทีนี้ภาพนั้นมันติดกระดาษนี่เป็นใช่คนหรือไม่นี่เป็นตัวเป็นตนหรือไม่ถ้าภาพนั้นเขาถ่ายมายิ้มมันก็ยิ้มอยู่ตลอดชา จ, จนกระดาษจะขาดหรือไม่กับพุพังไปนี่เอามาเปรียบเทียบที่เขาถ่ายตัวตนตามความจริงแล้วเอามาเปรียบเทียบกับเป็นกระดาษ รูปนี้สวยก็ยคือกระดาษไม่ใช่ตัวตนถ้ากล้องเสียงสูนสลายไปเรือรูปนี้สวยก็เป็นเครื่องปั้นดูเครื่องปั้นปั้นรุกตาจะแต่งเอาสีาทาอย่างไรสวยงานอย่างไรก็ได้แล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ต้องแตกสลายไปแม่สัตว์ที่มีชีวิตมีมนุษย์ ที่ออกไมรูปรักษ์ของหน้าสวยหน้างานที่พึงพอใจก็เช่นเดียวกันว่าอีไม่ช้าไม่นานก็หรือแต่ภาพว่าหญิงคนนี้ชายคนนี้เมื่ออาวัยยุนั้น1ิดแปดุเก้ายี่สิบมีเป็นอย่างนั้นแต่มาสามสิบสี่สิบห้าสิบเนื้อนังก็เหี่ยวย่นหลังจากนั้นก็หยิงไปป่านั้นแล้วก็ตายไป รูปเหล่านั้นก็หมดไปเหมือนกับรูปที่ถ่ายไว้กระดาษผุพังไปและยุ่ยไปและสลายไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นรูปที่ว่างามพิจรนารณาที่ว่านี่รูปกระดาษไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาไม่ใช่ของใคร สากว่าเป็นรูปอันหนึ่งอันหนึ่งเป็นของไม่เที่ยงไม่อย่งยืนไม่ขาวรหาใช้ปัญญาพิจารณาจากแก้ขายเปรียบเทียบให้เห็นพะการใช้ปัญญาเปรียบเทียบให้เห็นนี่แคือภาวนาจะทำให้เรารู้ของจริงเพราะการใช้ปัญญามาเปรียบเทียบหา ส, สิ่งต่างๆมาเอาอุปม า, อ, าอุปไมยดู จนได้รับตามความเป็นจริงเมื่อรับความเป็จริงแล้วก็วจะเห็นแจ้ต่อไปและเมื่อพิจารณามาเข้าก็รู้สภาพของความเป็จริงแม้หูก็เสียงก็เช่นเดียวกันก็ยิ่งจะเห็นง่ายฝ่า ย, ยิ่งขึ้นเสียงนั้นเรามักจะรู้จากว่าอันนี้เสียงผู้ชายเสียง<ๆ>ผู้หญิง เครืชื่อว่าเสียงช่างชายในยิงนั้นพอจะขอเสียงรุดออกเสียงเสียงนั้นก็หายไปไม่มีอะไรอยู่โยงคงที่ไม่มีใครพูดเพื่อออกเสียงได้ตลอดวันหรือจะถ่ายหือจะอาจเสียงนั้นไว้ให้อยู่ได้ตลอดวันมาเปิดฟังต่อไปเครื่องเสียงเหล่านั้นก็จะพังไป ก็ไม่คงทนถาวอนหรือเสียงนั้นจะตัวไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ตายเพราเยอะแล้วรอยังเองคนที่อัดเสียงวว้าังสมัยสิบเจดสิบแปดสิบเก้านพาห้าหกสิบปีผ่านไปเสียงยังเสียงนั้นอยู่แต่ตัวจริงแล้วมันก็หายไปตายไปสลายไปทุกสิ่งทุกอย่าง ยิงให้เห็นตามความมันจริงว่าล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่เราเคยเห็นไปตัวตนแล้วก็ยึดเข้าไว้ที่นางเก่าวเ่าเห็นรูปแล้วอย่าพอใจแล้วเอาเข้ว้เห็นรูปที่ไม่พอใจแล้วเกลียดชังทั้งพอใจก็เป็นกิเลสทั้งไม่พอใจก็เป็นกิเลส เปรียบเทียบอยู่ที่เคยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับสวนมะม่วงตัวหนึ่งไม่ใช่ของเรารูกกำลังหลกเห็นขโมยเข้าไปเก็บสวนมะม่วงเราก็ไม่ยุดซึกอะไรเพราะไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นรนะูปชายก็ตามหญิงก็ตามหญิงเห็นชายชายเห็นหญิงก็ตามคนนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราและเป็นอนิจจัง เป็นของไม่เชี่ยงไม่ใช่ของเราถ้าเราพิจารณามากเข้ามาเข้าจิ่ของเราก็ไม่เข้าไปยึดถือเพราะเหตที่จิตเขายึดถือถเที่ยงว่าอุปาทานจึงทำให้เกิดรูปรสจินเสียงต่างๆน่าใกล้น่าพอใจเพราะความเข้าไปยึดถือและสิ่งที่เขายึดถือลงพิจารณาดูให้จริงจงว่า สิ่งนั้นจะอยู่ได้นานแค่เพียงใดดอกไม้เด็ดออกมาจะโนแล้วว่าสวยงามร่วงกาเวลาไปก็ซีดไปเหี่ยวไปแห้งไปร่วงไปสลายไปในโลกนี้ไม่มีอะไรงคงที่อยู่ได้ย่อมเป็นสิ่งที่แปลควรไปอยู่เสมอรูปทุกอย่างถ้ามีชีวิตและไม่มีชีวิต มีสภาพคือไม่เที่ยงย่แปรปวนไปอยู่เสมอเสียงทุกชนิดจะเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เสียงฟ้าก็ตามเป็นสิ่งที่จะต้องแปรปวนไปไม่เที่ยงไม่มั่นคงอยู่ได้กลิ่นหอมหรือเหม็นประการใดก็เป็นสภาพที่ไม่เที่ยงย่อมแปรปวนไปทุกๆอย่างทั้งตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรส กายถูกต้องโพธิพารูา้ธรรมรมณในใจถ้าจะพิจารณาไปย่างตายเห็นรูปผูกว่องเสียงให้เห็นแต่ละอย่างระอย่างกลับไปกลับมากลับมาก็ยิ่งดีจิตของเราจะคล้อยวามสงบไปตามพิจารณาไนด้วยแล้วเมื่อจิตสงบได้ที่จะเห็นสิ่งนั้นชัดเจนมากขึ้นด้วยปัญญาปัญญาเกิดขึ้น แต่าเพราะว่าคนเราไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นเรื่องเอาใจที่ว่าสวยงามไว้ในใจและเกียดชังโกรธแท้นที่ไม่พึงพอใจก็ไว้ในใจเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เคยปล่อยวางไม่เคยเห็นว่าสิ่งเหล่า น, นั้นเป็นอนิจจังรู้ขังอนัตตาไม่เคยเห็นว่าบุคคล น, นั้นก็คือภาพกระดาษ เหมือนกับที่ตามประเทศเขาจะลบกันเขาคุยวางใหญ่โตตั้งฐานแท่นอาวุธยุดอปรกรณ์มากมายพอาอากาศถ่ายภาพไปบ้างอะไรบ้างให้ฝลายเป็นเกงครัวภาพนั้นก็เพียงจากภาพไม่ใช่บุคคลตัวจนเราเขาแนที่สุดก็ต้องสูญสลายไป ไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างโลกที่เป็นขึ้นเองก็ต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ทําให้เกิดมีขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นสมเด็จพระชินทร์สีสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตัดกับพระโมคคราชว่า สุญญโตโลกังอวทิทสุโมคราชะสดาโตโมครลาท่านจงมีสติทุกเมื่ออย่าฟังเผลอให้รู้ตามความจริงอตตานุดทิ่งอูหัจะจงถอนความยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งทั้งปวงว่าเป็นตัวตนออกไปจะได้เมื่อบุคคลมาถอนความยึดมั่นคือมั่นว่าตัวว่าตนออกไปจิตจะได้ผู้นั้นนั่นแหลมัจจุราชจะตามไม่เห็นคำว่ามัจจุราชหมายถึงความตาย มีบริวารเข้าไปจับเข้าไปกุมเข้าไปทำลายเขาคือโครคภัยไข้เจ็บนั่นเองเพราะฉะนั้นมัจจุราชก็ไม่มีตัวจริงแต่อุปมาเปรียบเทียบว่าเป็นคนทำให้ตายและมารเจนามารในต่าง ก็คือความเจ็บความป่วยความไข้ไปพวกรัฐจับเอาคนที่พยามาลต้องการเอามาแล้วก็ลงโทษด้วยประการต่างทั้งสองอย่างนี้จึงไม่มีตัวไม่มีตนเป็นชื่ออุปมาในความเป็นไปของสังขารเพราะฉะนั้น คนในสมัยก่อนเขายึดมั่นถือมั่นว่าคนจะต้องตายนี้เพราะปะยามัจุราชเป็นผู้กุมชีวิตของเขาไว้เขาใช้ตายเมื่อไหร่ก็ได้ความจริงก็คือธรรมชาติที่กุมชีวิตของบุคคลไว้นำเนินไปตามกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนคาสัตมาา ล่างผาชีวิตสัตว์อื่นมากเกิดมาแล้วว่าอายุสัน้นถ้ารู้จักมีเมตตาคารุณาในหมูสัตว์ไม่เบียดเบียนสรีระร่างกายในชีวิตของเขาและยิ่งเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นเวลาเจ็บไข้จะหยวกยาด้วยแล้ว คนเหล่านั้นนอกจากจะมีร่างกายแข็งแรงแล้วต่อไปในพบหน้าหรือในชาตินี้ก็ตามยังหางจากการเจ็บการป่วยเพราะฉะนั้นอาวุธที่จะสู้กับพญามัจุราชคือคุณธรรมในความดีต่งางอันเป็นกุศลอโรภะไม่โลภอะโทสะไม่โกรธอโมหะไม่ลง หรือมีสติปัญญารู้ตามความเป็จริงตาก็เป็นจักว่าธาตุอเ น, นงไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่ถาวรรูปที่ตาเห็นก็เป็นอนิจจังอย่างหนึง่งไม่เที่ยงไม่ถาวร อ, อารมณ์ที่เกิดความรู้สึกตางทิกาวมาแล้วตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกฟังกลิ่นทุกอย่งหกประการ อารมณ์ที่เกิดทั้งโหปการทุกสิ่งทอย่างข้อไม่เที่ยงมีสภาพเป็นไปอย่างนี้แต่เราจะรู้จะเห็นจะทราบซึ่งละเห็นแพ้ดโดยจิตใจของเราจงหมดความคลงสัยได้นะตรงพิจารณาบ่อยๆพิจารณามาเข้ามาเข้าถ้าติดตรงไหน ย, ยังยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่หาอุบายให้ชัดเจนด้วยสติปัญญาของเรา สติปัญญาของเราที่จะมีให้ชัดเจนได้เมื่อสิ่งเราละเอียดลึกลงไปเป็นอนุสัยจึงต้องเจริญจิตภาวนาเจริญจิตภาวนาช่วยสมาติช่วยให้จิตของเราผองแพ้วมากยิ่งขึ้นไม่มีด่านกำบังคือการมชันขยาบาทีทนัมิทะอุจจจะปุกุจจะวิจิกิชาจึงต้องทำลายสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ อคุสนึห้าประการนนิวอนั้นไม่ใช่ว่าจะมาภาวนาริ้งธรรมะต่างทิงไม่ได้องธำระกันอยู่เรื่อยถ้าอะไรเกิดในข้อไหนตายให้รูปพอใจจองธำระออกไปด้วยให้เป็นอคุภปะถ้าหาว่าเห็นแล้วไม่พอใจเกิดความเคียดแค้งทิ้งชังต้องเจริญเมตตาตามการุณารามปล่อยล้างผ่านไว้อะไรเพื่อนมือตรงล้างมือ อะไรเพื่อนท้าตรงล้างเท้าอะไรเพื่อนใจทองอบมรมความเป็นจริงมาอยู่นี้เพราะฉะนั้นเราจะ ท, ทําจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วเป็นสมาธิก็ต้อตงอบรมให้รู้สภาวะภาพตามความเป็นจริงในตาที่จิตของเราเขาไปเกี่ยวข้องให้รู้เห็นตามความจริงแล้วจึงค่อยภาวนา ก็คือการพิจารณาก่อนเองทาขางอารมณ์ที่เกิดกามาฉันโดยอุบายวิธีต่างๆให้เห็นเป็นอสุภะบางกายกระตาปฏิบติบางให้เห็นเป็นอนิจจังทุกข์ฐานะตาบางให้เห็นเป็นรูปผู้รูปภากระดาษบางเห็นคนไหนสวยเราเคยดูในสื่อพิมพ์มีรูปสื่อพิมพ์สวยแล้วอยู่ได้ยังไง ฉีกนิดเดียวประกาศพ้นแล้วพิจารณาเปรียบเทียบเองมาก็าจะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความสงบได้สมาธิบางทีต้องอาศัยปัญญาพิจารณาก่อนจึงสงบเขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิและปัญญาบางครั้ง บ, งบางประการไม่สามารถจะรู้ได้จนให้สมาธิเกิดขึ้นก่อนเพราะนิวรมันบางเมื่อนิวรไม่มีแล้วจึงปัญญ า, ญญาเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญา กลับกันไปกลับมาเพลงของประการเพราะฉะนั้นเมื่อภาวนาแล้วไม่สงบอันหนึ่งอันใดพึงใช้เพลงแล้วไม่สงบพึงใช้ปัญญาพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาไม่สงบแล้องมาเพง่งคุมจิตใจของเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวตามควรแก่วาระของจิตของเรานั้นจริงเท่าไหร่ทั้งปวงนี้ต้องแก้ด้วย ความสงบด้วยแอลดอรปัญญาพ้อมมีความมีสติจะจอปเป็นผู้สำมรวมระวังและมีความรู้รอบครอบอยู่อย่างสม่ำเสม อ, มอท้งธรรมะและวิปัสสนาอันเป็นธรรมเพื่อทำลายล้างผ่านที่เ็สบาตธรรมสั้งส่วนหยาบาส่วนการลาสุริยาให้เบาบางละหมดไปอันนี้พึ่งพยายามอบรมจิตใจของตนไวให้สม่ำเสมอ เมื่อเราอบรมจิตใจของเราโดยส ม, ม่ำเสมอจิตของเราเป็นอริยมรรคในข้อมรรคทั้งสี่เราข้อมรรคข้อที่สี่และเมื่ออบรมได้ถึงที่แล้วเกิดความรู้แจ้งเห็นแจ้งก็เป็นนิโรธถ้าเป็นวันอ่อนก็เริ่มมีแววแล้วว่าจะรู้แจ้งตามความจริงถ้าพิจารามากเข้าก็รู้แจ้งมากยิ่งขึ้น รู้แจ้งมากขึ้นเนพื่อนใดโมหะคือความหลงก็ค่อยๆ ห, ห, หมดไปหมดไปหมดไมตามมันแบบเพราะทำก็เป็นรูปธรรมกิเลสก็เป็นรูปเป็นนามธรรมาทำทก็เป็นนามธรรมกิเลสก็เป็นนามธรรมายอมชำระศาสารกันด้วยอาการดังกล่าวมาดังนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้กล่าวจะเป็นหัวข้อสําคัญเวลาปฏิบัติเอาลงใช้สติสมาธิปัญญา ความรู้ในเรื่องของปริยัต่างๆนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆนี่วอนห้าไม่ใช่เป็นเพียงรู้จักเท่านั้นต้องหาทางให้รู้แจ้งด้วยรู้จักอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้รู้แจ้งเหมือนกับคนที่เป็นโจรมาจากที่อื่นหน้าตาดีพูดชาดีแราคิด ว, ว่าคนนี้ก็คบหหาสมาคม แต่พอไปอยู่คนไปโจรไปเพื่นรู้กิริยาอาการของคนเหล่านั้นทานมีนิสัยเพื่อข้อฐานโจรก็รู้ว่าคนนี้ไม่ใช่คนดีแล้วถวอนตัวออกอารมณ์ราคะมีโทษโทสะมีโทษโมหะมีโทษพึงหาทางกําจัดอารมณ์เหล่านี้อย่าให้จิตใจของเราเข้าไปคล้องเลยเก็ยินดีให้ออกไปท้ายจากจิตใจของโจรให้เหมาะสม จิตของเราจึงจะสงบจึงจะร่มเย็นและศัตรูคือกิอดเลสอยู่ในจิตของเราไม่ได้ถ้าเราปล่อยกิดเลสเหล่านี้ให้พุกผพานอยู่ในใจิตใจด้วยความสนุกบ้างความเพลิดเพลินบ้างความยินดีบ้างจะเวียนว่ายตายเกิดอี ก, อ ก, อ ก, กที่กับอีกการก็ไม่สามารถจะระงับกิดเลสได้ แต่ถ้าหากว่ามีสติปัญญาภาพเพียงจริงจริงจังแม้วันคืนวันสองวันก็อย่าสามารถเริ่มเห็นแววแห่งความสงบอีกสี่ห้าวันต่อมาก็เริ่มเห็นแววแห่งปัญญาที่เกิดขึ้นได้เป็นไว้แต่ว่าบุคคลนั้นมีอกุศลกรรมมาในปางก่อนที่จะต้องทดใช้ที่จะต้องผ่านสิ่งเหล่านั้นไปก่อน อันเป็นกุอาคุสนกรรมในปางก่อนที่ทเคยทําไว้อันใดเมื่อยังไม่มีกุศนกรรมอื่นคอยช่วยเหลือก็ต้องสเสวยกรรมนั้นถ้าไม่ถึงการให้อกุศนกรรมนั้นมาสเสวยกรรมมีหมายความว่าอากุศนกรรมแบบสามัญไม่ใช่ไม่ใช่อ น, นันตเดกรรมหรือไม่ใช่ครุกรรมพอจะสามารถ ที่จะดีเกลีย้ยดีเกลี้ยงอารมณ์เหล่านั้นมาด้วยการทําความดีไว้อย่างสม่ำเสมอทําไปนานๆเข้ า, ขาขความดีกับเป็นนิสัยนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของตนก็จะเกิดปัญญาเห็นชัดว่าข้อก่อนนี้เราเคยทําอย่างนั้นแต่ว่ามีความสุขเดี๋ยวนี้เราเกิดเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริง เริ่มมีสติปัญญาเมื่อรู้เห็นตามความจริงจิตจะถอดถอนออกจากความยึดมั่นถือมั่นมันเองเพราะฉะนั้นทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาในที่นี้ไม่พูดถึงสติสมาธิกับสติอยู่ด้วยกันจิต ม, มีสมาธิก็จะเกิดสมาจิตมีสติก็จะเกิด ส, ส, สมา ธ, มมมาธิได้เมื่อภาวนา สมาธิจะภาวนาได้ก็มีสติและจะเกิดสมาธิและเมื่อพลังแห่งสมาธิมีมากขึ้นสติก็มีพลังแห่งมากขึ้นเลยเป็นสู่ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงตื่นหนาบางเวรประการต่างเพราะฉะนั้นความรู้ทางโลกแม้จะมีกี่วิชาการพิจารณาต่างๆ เช่นใ น, นหลักวิทยาศาสตร์ทำเครื่องมือเครื่องใช้ทำอย่างไรก็ได้ให้เหาะก็ได้ให้อยู่ใต้น้ำก็ได้แต่วิชาเหล่านั้นไม่สามารถจะทำลายอาสวะกิเลสได้เลยแม้แต่น้อยมีแต่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแต่ก็เป็นส่วนดีในทางโลกไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่าทางธรรมมาเทียบแล้วสิ่งเหล่านั้น เป็นเหตุให้เกิดความทะเยอทะยานก็ได้และทําให้เกิดความคิดว้าถ้าเรามีสิ่งเหล่านนอยู่เราจะเป็นใหญ่ก็ได้กลายเป็นกิเลจใหญ่โตก็ได้แต่ตอนทำนั้นยิ่งเขารึกอยิ่งถอดถอนกิเลสเขาลึกเพียงใดตั้งถอนลากเข้าของกิเลสตั้งอย่างหยาดอยางกลารละเอียดให้หมดไป จ็เห็นคุณงามความดีที่กระทำให้เกิดมีขึ้นเห็นโทษเป็นพิษเป็นภัยตัวการต่างๆเหล่านี้เป็นตนเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี้ก็คือเป็นการชี้แนะชี้แนวทางในการอบรมจิตใจของตนและพฤติกรรมของตนให้ตั้งอยู่ในสีลสมาธิปัญญาเนรลาอริยมรรคตอนนี้ไปบึงตั้งใจฝึกฝนจิตของตนเองให้เป็นสมาธิ ด้วยภาวนาที่เคยทํามาผู้ที่เคยสงบมาแล้วอาการอย่างใดเพิงตั้งอยู่ในอาการเหล่านั้นแนวทางอันนั้นที่เคยทํามาแล้วอันนี้ได้เปรียบผู้ที่ยังไม่ยังไม่เคยสงบให้เห็นชัดเจนข้อมีสติมีการปล่อยวางอารมณ์อื่นให้เหลือสติกับจิตรู้ว่าอยู่ให้สติระลึกได้สติระลึกได้คือพระพุทธเจ้าว่าพุโทโธ นำเอาพ่อพุทิยาคือผู้ทอเป็นอารมณ์ให้จิตรู้ให้ จ, จิตนึกถึงแล้วเมื่อจิตนึกถึงแล้วมีจิตกลุมอยู่ใยเฟือระวังอยู่อย่างนี้ก็ <c oughs> จะสามารถที่เกิดความสงบได้เวลาฝนตกหนีเข้าบ้านที่พักที่อาศัยไม่เปียกฝนฉันใด โลภธโสะโมหะหรือนิวรณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นหลีกฟินเหล่านั้นเสียอย่าให้เข้ามาท่วมทับใจใจของเราก็จะเกิดความสุขความสบายถ้าหาว่าไปเหนียวรั้งเอาสิ่งที่ชอบใจมานึกว่าเป็นสุขอย่าพบแต่สุขกลอกๆสุขที่มัแมันคง ให้สุขในเบื้องต้นและเป็นทุกข์มวันมันปลายไม่ใช่ของแท้ของจริงดังที่พระศาสนาตัดรู้มาแล้วเพราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไปพึ่งมีสติพิจารณาดูใจของตในใ้ของแผ้วแล้วตั้งใจภาวนาตามคำสอนของพระศาสนาต่อไป